สังกิเลสิกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยเจ็สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฐิถีนะอุทจจะอะหิริกระและนูตตะปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนันัย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 โมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิริกะอนโนตปะสัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทานรูปอาศัยโลภะเกิดขึ้นโดยในนี้ปฏิจาวาระสหชาตะวาระปัจยะวาระนิศยะวาระสังสัถาวาระและจัมยุตตวาระก็เหมือนกับยีเลสทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันส่วนการระบุข้อความต่างกัน เจกิเลสสะสมกิเลสจิตกทุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจ ญ, ญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยเจสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็ น, ป น, นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตกิเลสโดยเหตุปัจจัยโดยในในี้จึงมีสี่วาระเหมือนกับกิเลสสทุกกะอารมณปัจจัยเจ็สิหสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบกิเลสขันที่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปราบกิเลส ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นเพ่งเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปราบกิเลสกิเลสและจำปัุบัขันธ์จึงเกิดขึ้นเจสิบเจ็สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัแจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยระมณะปัจจัยได้ยแก่บุคคลให้ทานสมาทา น, นาศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นอุทจจะและถึงเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมนสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนพระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทัยวัตุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง โทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขู่ละถึงเป็นปัจจัยแคราวชนะจิตโดยระมณะปัจจัยสองวาระนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกกะแม้อารมณฆคตนาก็เหมือนกับกิเลสทุกกะอาทิตตปฏิปัจจัยเจสิบปดสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยทุปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแฉ่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเซขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น<สา úc ite>พิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำจากสุมาไทยวัตถุและขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่ทิปติธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปชุญญขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยวาระสองอย่างนอกนี้เหมือนกับกิเลสาธุกะแม้อธิปติขตานาก็เหมือนกับกิเลสาธุกะอนันตระปัจจัยเป็นต้น๗๙ สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอน no ันตราปัจจัยมีสามวาระเหม he er he er play, ือนกับกิเลสะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอนันตราปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดก่อน เป็นปัจจยัยแก่ขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส ซ, ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจยัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนะจิต<ส Via>เป็นปัจจนนัยแก่ขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอนันตรปั จ, จัยอนันตรปัจจัยสองวระนอกนี้เหมือนกับกิเลสสาธุกะในอนันตรัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกัน แม้อนันตระคาตนาและปัจจัยทั้งหมดก็เหมือนกับกิเลสทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันในอุปาเนจีปัจจัยไม่มีโลกุตระทุกกะ น, นี้เหมือนกับกิเลสทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันกิเลสสังกิเลสกะทุกกะจบแปสิกิเลสสังกิเลสท่าทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่ง 1. วิพังขวาระ เหตุปัจจัยแปดสิบสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศ้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะปุทะเจอะอหิริภะและอโนโตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูเป็นจักขณีสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้ามองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จำปยุตตะขันอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้ามองและที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้ามองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทัจจะอะหิริกะอโนตตะปะและจำปยุตตะขัน อาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักขันในแปดสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้ามอง อาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเล n, เสเกิดข yup ึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่กิเลสอาศัยขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศ้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจได้แก่ขันสามและกิเลส อาศัยขันหนึ่งที่กิเลสทําให้ เ, เ, เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองแปดสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้ามองอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทําให้เศร้ามองและที่กิเลสทําให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทัจจะอหิริกระและอนุตตะปะ อาศัยโลภะและสัมยุติขันเกิดขึ้นพึงผูเป็นจัปนัยสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและที่กิเลทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กิเลทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันธ์สามโมหะทิฐิถีนะอุทัจจะอหิริกะและโนตปะอาศัยขันธ์หนึ่งที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึง อาศัยขันสองพึงผูกเป็นจักรในหนึปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ83ดสิบเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวะระอารมาณปัจจัยมีเก้าวะระทุปปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวะระกรรมปัจจัยมีเก้าวะระอาหารละปัจจัยมีเก้าวะระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวะระ 2. ปัจยปัจจเนยะ หนึ่งวิพังควาระนัเหตุตุปัจใจแปดสิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะนัเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะเทศหอระคด้วยวิจิกิจฉาอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะเทศหอรคตด้วยอุทจฉาอาศัยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง อาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรักด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่สหรักด้วยวิจิกิจฉาและที่สจรักด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้น เพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุททะจะอาศัยขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุททะจะและอาศัยวิจิกิจฉาและอุททะจะเกิดขึ้น 2. ปัจยปัจญจิยะ 2. สังคยาวาระ85้านเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระนอธิปฏิ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระ นภุเรชาตปฏจใจมีเก้าวาระนปัจชาชาตปฏจใจมีเก้าวาระนอเสวนาปฏจใจมีเก้าวาระนกรรมปัจิใจมีสามวาระนวิปากปฏจใจมีเก้าวาระนวิปยุตปฏจใจมีเก้าวาระโดยในนี้การนับสองอย่างนอกนี้ชาติวาระปัจยวาระนิสยวาระสังจัตวาระและสัมบยุตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระแปสิกิเลสสังขิเลธาทุกกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิภังควาระเหตุปัจจัยแปสิบหก สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมพยุทธกิเลสโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศ้าหมองเป็นปัจจัยแห่สัมพยุตตะขันโดยเหตุตุปปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุตุปปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแห่สัมพยุตตะขันและกิเลสโดยเหตุุปัจจัยอารมณปัจจัย สภาวะธรรมที tunes, achts, Abraham, ่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบกิเลสกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบกิเลสขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบกิเลสกิเลสและสัมยุญตขันจึงเกิดขึ้น แปสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ม Rolle, ไม่เป็นกิเลสโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขันได้กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพ ร, ราะปลารกขันที่กิเลธำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสกิเลสและสัมพยุจตขันจึงเกิดขึ้นพึงทำวาระนอกนี้ให้เป็นสามวาระอธิปติปัจจัย89สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลธำให้เศร้ามองเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลธำให้เศร้าหมอ ง, จจททมองโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปติมีสามวาระ สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอรมนาธิปติได้แก่ละถึงเพราะทำขันที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสองอย่างพึงเพิ่มให้เป็นสามวาระ เพิ่เพิ่มแม้อธิปติปัจใจสองอย่างนอกนี้ให้เป็นสามวาระอนันตระปัจจัยเป็นต้นเก้าสิบสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เจ้าหมองโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มเป็นเก้าวาระไม่มีอวัชนะจิตและวุฒนะเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปาินสยปัจจัยมีก้าววาระไม่มีทั้งปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยกรรมปัจจัยเป็นต้นเก้าสิบอ็ดสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมอง แต่ไม่เป็นกิเลสโดยก a ม m a ปัจจัยได้แก่เจตนาที่ COVID กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุทธะขันโดยก a r ม a ปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยก a ม m a ปัจจัยได้แก่เจตนาที่ก <hyuk wieder> ิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เ <influencers> ป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุทธะกิเลสโดยก a ม m a ปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยกร r m ปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันและกิเลสโดยกร r m ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระ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 เกสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอรมณปัจจัยชาติปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยมีเก้าวาระพึงเพิ่มเพียงสามบทเท่านั้นสองปัจจยะปัจจเนยะสองสังขยาวาระเกสนเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระ ณ<น>อารามณะปัจจัยมี9้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระโนวิพตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเก้หณอารามณปัจใจกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจใจกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาเนีเยปัจจใจมีสามวาระละถึงณมัคคะปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปิวิตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจใจมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระส ป, ปัจยะปั จ, จนิยานุโลมเก้าสิหกอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระเพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละถึง อวิคตตะปัจใจเมงก้าวาระกิเลสะสังขิเลขาทุกกะจกแปสิบเอ็ดกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเก้าสเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฐิถีณานะอุทจจะ ขหิริกะและอนุตตปาอาศัยโลภะเกิดขึ้นทุกกะนี้เหมือนกับกิเลสะสังกิลิทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันพึงขยายวาระทั้งหมดให้พิดารกิเลสะกิเลสสัมปยุตตาทุกะกะจบแปบสองกิเลสวิปยุตตาสังกิเลสิกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ98สภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลส เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมัมปทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองทุกกะนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันเหมือนโลคิยะทุกกะกิเลสะวิปยุจตะสังกิเลสิกะทุกกะจก สีเลสะโคจกะจบสิบสามปิดถาทุกะแปดสิบสามทัศเนนะปหาตับพาทุกะหนึ่งปจจวาระหนึ่งปจญานุโลม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 เพราะเหตุป um ัจจ ah ัยได้แก um> ่จ um> ิตตะสมุทานรูปอาศัยขันท um> ี่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง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 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตมมตสมุทฐานในรูปอาศัยขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ L ่งปัญญานุโลมสสังขยาวาระสองเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจใจมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยมีสองวาระสะอาดชาตะปัจจใจมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระ วิปลากระปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารกระปัดใ จ, จมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตกปัจจัย 3. ส, สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรคกโกฏวิจิกิจฉา อาศัยขันที่โสหรกคดวิจิกิจชาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักละถึงในปฏิสนทิขณะที่เป็นในเหตุกุกะพงเพิ่มข้อความจนถึงอาศญยสัญญตตพรมโมหะที่โสหรรดุอุทจจะ อาศัยขันธ์ที่จะหรักวัตถุท่าจะเกิดขึ้น 2. ปัิยปัจจญยะสองสังขยาวาระ 4. นะเหตุปัจจัยมีสองวาระนะอธรรมณปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนะอนันตรปัจจัยมีสามวาระนะสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนะอุปาเนยียปัจจัยมีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนปัจชาชาตปัจจัยมีหวาระนอเสวนปัจจัยมีหวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆะปัจจัยมีหน claro ึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระ ณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตะวาระพึงทำอย่างนี้แปดสิบสามทศเนณปะหาตัพทุกกะสามปัจจยวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจห้า สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระเหมือนกลับปฏิจจวาระ 6. สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูติรูปภายในขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะวรฒนที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักธรรมสภาวะวรฒนที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมากรและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรธรรมสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 7. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมากร ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 และทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปิตมักและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหนึ่งปัจจญานุโลมสอง 2. สังขยาวาระแปเฮตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอาระมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิ ป, ปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตาตัจจัยมีเก้าวาระสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจเก้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่จะหัรุกวด้วยวิจิกิจฉาทำขันที่สะหรุกวด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักทำจสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตพรมจกปุวิ ญ, ญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กายวิญญาณทำกายยัจณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปันติมักทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคดุอุทัจะทำขันธ์ที่โสหรคดุอุทัจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคดุอุทัจะทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปันติมักทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปันติมัก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 และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจยะปั จ, จนิยะสสังขยาวาระสุทไนย10ณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณนะอารมณะปัจจัยมีสามวาร ะ, นะอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระณนะอนันตรปัจจัยมีสามวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจจัยมีสวาระนาปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระนอาเสวนปัจจใจมีเ้าวาระนกรมมปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจจใจมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดรกรกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะเหตุปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดรกรกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบ 12. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเปิดรกรวกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเพราะหนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาเปิดรกรวมกับขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค เกิดรกรวมกับสภาวธรรมที Tim, ่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภพเพราะนะเหตุตัปัจจัยย่อนะเหตุตัวปัจใจมีสองวาระนะอธิปติปัจจัยมีสองวาระน่ะปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนะอาเซวณปัจจัยมีสองวาระนะกรรมปัจจัยมีสองวาระนะวิปากะปัจจัยมีสองวาระนะชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิมค่าปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระปั จ, จนิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมบยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้